พระธรรมเทศนาแผ่นที่102สองลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าลิงช่วยลิงเอานั่งประจำที่ตันี่ คณะจัทธารญาติโยมโรกหลานมีอะไรหลวงพ่อจะเล่าอะไรให้ฟังอยู่ในความสงบอย่าไปส่งเสียงวันนี้เป็นวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนพุทธศักราชสอง9ันห้า้อยห้าสิบวันก่อนหลวงพ่อขึ้นมาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่เกือบทุ่มสองทุ่ม พอเมื่อวานทราบข่าวว่าหลวงปู่ทวยดงสีชมพูอท่านไม่สบายที่เป็นออลูกพี่อหลวงพี่เพราะว่าท่านเรียกหลวงพ่อเรียกว่าน้องอินใช่ไหมเงี้นนะหลวงปู่ทวยเรียกหลวงพ่ออินเลยเยว่าน้องอินใช่ไหมท่านเรียกแต่ไหนแต่อะไรมาพอเราทราบข่าวแล้วก็เลย อยากจะไปรับรู้รับทราบว่าเป็นยังไงแต่บุญบารมีของท่านก็มากมายมหาศาลที่ท่านทําไว้กับพี่น้องให้กับพี่น้องประชาชนกับโรงพยาบาลมากมายทีเดียวในยุคนี้ก็ถือว่าท่านเป็นองค์หนึ่งที่ให้สงเคราะห์สงเคราะห์โรงพยาบาลไม่ว่าบึงการไม่ว่าน้องคายไม่ว่าท่าบอ่อ สีสนักครินมีมากมายจนถึงภาคใต้ท่านให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับรถพยาบาลท่านก็ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างมากแต่ก็ไม่วิตกกังวหลหรอกแต่เราก็เข้าไปดูว่าการดูแลรักษาเพื่อจะให้เห็นหน้าเห็นตาเท่านั้นเองแต่การดูแลรักษาเราไม่วิตก แต่ไงไงหมอเขาก็ให้ความใส่ใจสนใจเขาตั้งทีมหมอขึ้นมาทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเขาก็ดูแลกันอย่างดีทีเดียวที่ลงไปเมื่อวานหลวงพ่อก็นั่งท่านก็เอารถก๊อบนั่งเอาไปข้างในเข้าไปองค์เดียวนะผู้ติดผู้ติดตามไปอยู่ข้างนอกท่านไม่ให้ใครเข้าไปปุ่นป่นวายเข้าไปเข้าไป กราบคารวะท่านถามไทยท่านท่านป่วยเป็นอะไรท่านก็บอกไม่สบายเกี่ยวกับโรคของคนโรคภัยของคนแก่ผู้ชายก็คือเนี่ยต่อมลูกหมากโตปัสสะไม่สะดวกเริ่มก็ปวดไปทางหลังด้วยทางกระดูกทับเส้นประสาทอีก มีสองอย่างที่มันทหารพญ า, ามัตรุราชส่งเข้ามาตีกายยนคอของหลวงปู่เราเจากนั้นก็หมอเข้าก็เลยใช้สายยางให้สวนท่อปัสสาวะไปเมื่อวานก็ยังค้างค า, าไว้อยู่แต่ก็ทราบว่าทางหมอทางศรีนครินเก่าในิมนต์ ท่านก็จะไปทางน้นแหะแต่ว่ายังภาระติดอยู่ตรงที่หมอเข้าไปต่างประเทศจะกลับมาในเร็ววันนี่หละเขาก็ให้รอคอยทางหมอทานนี้ก็ได้ดูแต่หลวงพ่อเองก็ได้ถามไปทางอาจารย์หมอที่สิริราชที่เกี่ยวกับทางเดินทางเดินปัสวะทางไตาทางเดินปัสวะท่านทางนน้นก็พร้อมที่จะรับ ถ้ามีปัญหาก็บอกมาเลยทางโรงพยาบาลศิริราชนะแต่พอหลวงพ่อออกมาแล้วหลวงพ่อก็เรียนให้ท่านทราบว่าคงไม่หนักหนาอาจารย์เพราะว่าเรียนไปทางอาจารย์หมอนะที่ศิริราชนะคงไม่หนักหนาดูๆแล้วท่านก็ยังสดใสสดเชื่นอยู่เพียงแต่ว่ามีแต่นี่นะมีแต่ต่าลูกหมากตัวเดียว แล้วก็หมอที่จะดูแลท่านที่สีนักครินก็คืออาจารย์หมอขจิตเอาหมออาจารย์หมอวิเชียนเกี่ยวกับผู้ชำนาญการในทางนี้ท่านอาจารย์หมอสุชัยท่านก็บอกเอออันนั้นเป็นลูกศิษย์ของผมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกก็ได้ไม่เป็นไรเป็นลูกศิษย์ของผมนั่นแหละ อันนี้ก็คือจะแล้วจบแล้วก็คือเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายที่ท่านไว้เนื้อเชื่อใจกันหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็สบายใจเมื่อวาน้าไม่เห็นทาอะไร ไ, ไปก่อนคล้ายๆก่อนพิถกกังวลอยู่เหมือนกันจะเป็นอะไรทอไปเห็นแล้วก็เบาใจก็ไม่มีไม่คิดว่าจะมีอะไรในคราวนี้ครั้งนี้เมื่อท่านไปทำแล้วก็คงจะไม่นานคงคงจะหายเป็นปกติ แต่เมื่อวานหลวงพ่ออกราบก็ก็ไปกราบคารวะท่านถามถ่ายท่านเสร็จเรียบร้อยเอหลวงพ่อก็เลยนั่งรถกรอ๊อปตัเวรดูวัดของท่านเหมือนกันนะพอบอกให้โซเฟอร์เอ้ยหลวงพ่อยังไม่เคยเอตะเวรดูวัดของหลวงพี่ใหญ่ของเราเลยพาเราไปหน่อยสิวะ เข้าไปโอ้วัดของท่านกว้างขวางนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเนื้อทีถึงสามพันกว่าไร่นะ mm hmm. แล้วก็มีแหล่งน้ำมีอะไร mm hmm. สรุปแล้วก็คือนี่แหละสมกับรัฐบาลที่มีจุดประสงค์ว่าอยากจะให้ดูแลรักษาพื้นป่าให้มากเ น, mm hmm. นี่แหละขูใบาจาร์ระดับหลวงปู่ที่ท่านรักษาป่าได้ดีมากทั้งแหล่งน้ำด้วย ชาวบ้านเขาก็ได้ใช้น้ำเพราะท่านกักกันน้ําท่านเป็นเป็นจุดๆๆๆแต่ละสระในโอใหญ่มา ก, แ ล, กลาามมาแล้วก็น้ำกรไหลตามมาลงมาหาชาวบ้านชาวบ้านเขาได้ใส่น้ําอีกเห็นระบบของท่านดีมากเลยหลวงพ่อเขาไปตะเวรดูเมือม่อวานเนี่ยนะแต่ว่าต้นไม้ของท่านต้นไม้ไม่ใหญ่ไม่อันตรายนะเออ กวงประมาณสักสิบกว่าเมตรแต่แต่และต้นความสูง่ะไม่เหมือนของเราของเรามันเกือบต้นเป็นโอบเป็นอุ้มทํามันลงแต่ละครั้งนี่นก็น่ากลัวเพราะฉนั้นเราปลูกเสนาชน ะ, นะปลูกกุฏิของเราจึงหาทิศ ท, ทางอาอย่างดีให้จึงจะปลูกเสนาชนะที่พักพ้าสายของพระสงฆ์แต่ของท่านน่เป็นป่า เป็นป่าเบนจกพันธ์ในวัดของท่านโอ้สัปปายะนะหลวงพ่อไปเห็นแล้วเป็นสถานที่สัปปายะทีเดียวสำหรับผู้ที่ภาวนาสำหรับพระนะท่านรักษาความสงบเหมือนแนวปฏิปทาขององหลว ง, งตาอย่างพวกเราเหมือนกันถ้าว่าจัตถาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องให้มาพบที่ศาลาไม่ให้ไปเพ่นพานในวัด เสียความสงบพระสงฆ์มาภาวนาไม่ให้ใครเข้าไปเพ่งผ่านข้างในไม่ให้รถเข้าไปนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงปู่ทวีท่านก็ยึดถือเอย่างมั่นคงทีเดียวท่านไม่ให้รถอะไรเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่ให้คนเข้าไปข้างในวัดเหมือนกับวัดหลวงตาหนะลวงตาเนะี่ยใครเข้าไปข้างในนะ่ยหัวแตกแล้วนะ เผื่อๆอะไรพระองค์นั้นออกจากวัดอีกต่างหากคือไม่ให้จุงเหยิงวุ่นวายเข้าไปข้างในให้พระจู่ตามลําพังให้เร่งภาวนาหาความสงบมันมายุ่งทําไมอถ้ามันมายุ่งเอาอะไรเข้ามาข้างในมันมายุ่งทําไมมันต้องการอะไรหนียังมาอยู่ที่นี่พระองค์นี้เ่ยหลวงตาจะพูดอย่างนั้นนกฎระเบียบของหลวงตา เพระนั่นเพาลูกพาหลานฟังเอาไว้นะไปเห็นวัดของหลวงปู่ทุยเท่นนะยึดแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาเหมือนกับวัดเราเนี่ยวัดเราก็ไม่ให้ใครเข้าไปเพ่นผ่านเหมือนกันนะเสียงรถเสียงลาถ้าไม่จำเป็นจริงอยาให้อยากเข้าไปถ้าเข้าไปมีติหลวงพ่อถึงเขเข้าไปแต่ท่านเขาเข้าไปหลวงปู่ทุยเท่านัโซเฟอร์รถ ก, ก๊อฟหลวงปู่ท่านก็ต้งเวนดู วัดของท่านเรื่อยๆเหมือนกันเนีนะ่อันนี้คือหัวหน้าหัวหน้าต้องเป็นอย่างน้นอ่ะดูขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนจะเสริมที่ตรงไหนจะปรับปรุงแก้ไขที่ตรงไหนอันนั้นคือหัวหน้าจะต้องดูถ้ามันพอที่จะส่งเสริมที่ตรงไหนถึงเอาตรงนี้ควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะควรจะปลูกไม้เสริมนะควรปลูกไม้ประเภทนั้นประเภทนี้นะ ควรจะกั้นน้ำไว้นะควรจะทําถนนมาจุดนี้นะอันนี้คือหัวหน้าต้องตเวนต้องดูวัดแต่นอกจากนั้นมันก็ไม่จําเป็นมีแต่เสนอเท่านั้เองถูกน้องมีอะไรขึ้นมาก็เอาเสนอเป็นตรงนั้นตรงนี้จะดีไหมครับท่านอาจารย์ถ้าเห็นพร่องตรงกันหรืออา้าพัฒนาดูวัด นี่แหลคือการพัฒนาวัดวาศาสนาอย่างวัดของเราก็เหมือนกันอ่งเนื้อที่ของเราพันสามร้อยห้าสิบไร่แต่ของท่านเนี่ยสมพันกว่าดูสิองเท่ากว่านะที่วัดของท่านกว้างขนาดไหนแต่ขนาดพันกว่าไร่ราเราก็ว่ากว้างพอแรงยู่นี้แต่เป็นสักวัดของท่านไม่ใช่เป็นที่เนินนะ เขาไปตเวนดูเมื่อวานเนี่ยลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมากกว่าอพร้อมที่จะทําทํานาได้ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นชาวนานะอืแต่ว่าสําหรับที่เป็นสถานที่ปฏิบัติก็โอ้เป็นสถานที่ร่มรื่นทีเดียวเมื่อวานนี้เป็นที่สถานสัปปายะเป็นสถานที่สัปปายะ ที่องค์หลวงตามหาบูวท่านไปทํากําแพงให้เป็นครั้งแหลกนะสมัยนั้นเนื้อที่ของท่านก็ประมาณชักกี่ร้อยไร่ไม่กี่ร้อยไร่มั้งหลวงตาไปทํากําแพงให้ทํากําแพงเพราะมันมีหมูป่าสมัยนั้นนะวัดตรงที่ชมพูหลวงปูท่ทวนะีนี่แหละเมื่อวานหลวงพ่อไปแล้วก็ไปกราบคารวะท่านจากนั้นก็นั่งรถออกมาเลยตะเวนภายในวัดของท่าน จะนั้งออกมากลับมาถึงวัดก็ค่ำพอดีนะเมืม่อวานในลูกหลานนะทั้งที่หลวงพอ่อก็เหนื่อยนะขึ้นมาจากกรุงเทพเมื่อวันอาทิตย์ยวันจันทร์ก็ไปดงสีชมพูนะแต่วันนี้ถ้าไม่มีอะไรหลวงพอ่อจะพักผ่อนนะท่นเนี่ยอันนี้คือสาธารณกิจ เ, เราอยู่ด้วยกันในเพื่อนมนุษย์เป็นหมู่เป็นคณะ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในชุมชนในสังคมในครูบาอาจารย์อยาิมิตรสหายเราก็จะต้องได้ดูได้ช่วยกันการช่วยกันก็อย่างที่ว่าเหมือนกันนั่นแหละอย่างองค์หลวงตามหาบัวท่านเคยพูดลิงช่วยลิงหลงตามหาบัวท่านพูดเลยท่านหัวเราะเพราะว่าลิงช่วยลิงเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลาย เวลาครูบาอาจารย์ใครป่วยเจ็บใหรได้ป่วยลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องบริวารมากเวลาครูบาอจนย์เจ็บไขรได้ป่วยครูบาอาจารย์เจ็บไครได้ป่วยก็ลุมกันไปคตรน่าทึ่เป็นยังไงท่านอาจารย์ผล อ, ออกมาเป็นยังไงท่านอาจารย์ไอไอคนที่ป่วยก็เลยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไอพวกนีก้ใครๆก็อยากจะเป็นบุคคลสําคัญอย่าเข้าไปกราบใกล้ๆอย่าไปพูดจะไปถามไถใ่ใกล้ๆไอผลทีสุดท่านยังนอนหลับไปยังไปปลุกท่านอีก กรตุกขาท่านเพื่อจะให้ท่านเห็นหน้าเราถือว่าเราเป็นบุคคลสำคัญใกล้ชิดเออพราในสุดกูบายจาน ก, กันเลยไม่มีเวลาพักเวลาผ่อนเลยเลยมีลูกศิษย์ลูกหามีแต่บุคคลสำคัญเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดลงตามหาบัวท่านวา่าเหมือนกับลิงช่วยลิงใช่มเออลิงช่วยลิงก็คืออะไรมีลิงตัวหนึ่งไปถูก ภาษาบ้านนอกเขาเรียกกระต่อแต่ภาษาภาคกลางก็จะเรียกอะไรไม่รู้นะเรียกว่ากระทับหรืออะไรเขายกไม้ขึ้นม า, เ, าเขาทําเป็นสําหรับดักลิงนะดักลิงดักสัตว์ไม่ว่าลิงนะพวกอีเห็นพวกก็ตายพวกกร ะ, กกระจงกระเจงเอะที่สัตว์ตัวเล็กๆขนาดนี้นะทำไปมันจะรอดอพอไปรอดแจะไปถูกสายใหญ่มนะัน พวกสายใหญ่มันก็ไม้ตัวนั้นก็ลั่นทับทับหลังเลยมั้อบางทีมันทับแล้วมันไม่ตายใช่ไหมล่ะมันทับหลังมันบางทีก็ทับขามันขาหลังมันอย่างนี้อมันก็ร้องล่ะสิมันร้องหาหาหมูให้ช่วยมันมันไออมันก็คงจะร้องปวดโอ้ยมาช่วยด้วยมันคงจะว่างั้นนะอทั้งลิงทั้งนั้นอีเห็นพวกนั้นถ้าถูกลมก็ร้องนะเพราะมันถูกทับมันไปไม่ได้ใช่ไหม ถูกทับหลังทับเอว ม, นะมันนะมันหนีบเข้าไปผลที่สุดพวกหมูลิงเนี่็พอมันทับลิงเนะี่ยลิงก็ร้องไนงะท้องที่มั น, มนทั้งที่มันจะไปยกไปยกไม้้นขึ้นว่างั้นเถ อ, อะเพื่อจะให้ลิงตัวข้างล่างเนะี่ยมันเด็ดหลุดออกไปลิงมันไ ม, ไม่มีปัญญามันโง่เหมือนกันเถ อ, อ ป, ปูปบไปตัวนั้นก็นขึ้นไปกระโดดเหยียบข้างบนกระโดดเหยียบ เพื่อให้มันหนักอีกใช่ไหมไอ้ลิงตัวอยู่ข้างล่างก็ยิ่งหนักใช่ไหมเพราะนี่สุดลิงตัวล่างก็เลยตายเพราะอะไรเพราะมันไม้ทับลิงไม่รู้กี่ตัวขึ้นไปขยมเช่ไปขยมไม้ท่อนนั้นน่ะไม้ที่มันทับอยู่นั้นนะแต่ทั้งที่มันจะช่วยกันยกไม้ขึ้นมาแล้วก็ดึงลากลิงตัวนั้นออกไปถ้าเป็นปัญญาคนก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนั่นเอเป็นปัญญาลิงใช พอมันร้องตัวนึ่งกัโตนึง ก, กัขึ้นไปกระโดดตัวนึงขึ้นไปโดดไปเหยียบมันก็ช่วยคิดว่าช่วยนั่นแหอะช่วยให้ลิงตัวนั้นออกนะอแต่มันไม่ใช่ช่วยมันไปเสริมให้ลิงตัวนั้นตายเหลวเขาเหยียบให้มันหนักขึ้นไปอีกนะ่หลวงตามหาบัวท่านก็เลยเปรียบเทียบว่านี่นะลิงช่วยลิงทั้งที่ครูบาอาจารย์ใครเจยบใครได้ป่วย ทั้งที่มาแล้วก็ถามไถยมีอะไรที่จะช่วยเหลือกระถามไถยแล้วก่อนเป็นที่รู้กันไม่ใช่จะเข้ามาที่อะไรก็จนไม่มีเวลาพักเวลาผ่อนผลที่สุดค น, คนป่วยเลยตายไปเลยเหมือนกับลิงที่มันถูกไม้ทับกันไว้เป็นน่าคิดนะลูกหลานลยกนัชัาตาญาติโยมที่ลงตาให้ <c oughs> แนวความคิดเอาไว้ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือการช่วยกันช่วยไม่ถูกไม่ถูก การละเทสะถูกช่วยไม่ถูกเหตุการณ์เหตุการณ์เช่นนี้เราควรจะช่วยอย่างไรอันนี้มันต้องใช้ปัญญาในการช่วยถ้าช่วยไม่ช่วยไม่เป็นก็นอย่างว่าเหมือนลิงช่วยลิงอย่างที่ว่านี่ยแหละเราเกิดมาในโลกถึงจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเถระมหาเถระไม่ว่าพระหัน สาวกพระพุทธทเจ้าก็ไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นมรณะภัยไปได้สรุปนี่น้าน่าคิดเน่ยจุดจุดนี้นะคณะทศายาติโยมทุกหมูเ่เหล่าเพราะนั้นเราอย่าไปาทิ้งระโยนให้กับคนอื่นออบอกว่าคนนั้นมันจะน่าจะช่วยคนนี้น่าจะช่วยมันช่วยได้อยู่ในในระร ะ, ระดับหนึ่งในระยะหนึ่งระดับหนึ่ง แต่ผลที่สุดมันผลสุดท้ายมันช่วยกันไม่ได้ต่างคนก็ต่างใครจะเก่งกาศสามารถขนาดไหนพูดได้ขณะที่ยังไม่เจ็บไข้ด้ป่วยท่านเองถ้ามึงถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันพูดไม่ออกทางนั้นละ่ะไม่ว่าหมอระดับไหนไม่ว่ า, าศาสตราจารย์หมออะไรก็ไม่มีใครที่จตลอดพ้นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มรณะ ร, รมโมหิมรณงอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ในคำนี้นะฟังเอาไว้พวกเราแต่ว่าเมื่อฟังเอาแล้วเราจะมีแก่จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรทั้งที่มันไม่ล่วงพ้นความตายไปได้มันทจะทำอย่างไรแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่า ตายแล้วมันไม่สูงตายแล้วเกิดอีกนะเนาะอยากจะพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดให้นั่งภาวนาอย่างอื่นไม่มีทางไม่ใช่เรียนแล้วจะรู้อะไรก็จะจะรู้แล้วก็จะจบไม่ใช่ประมาณการก็ไม่ใช่เดาก็ไม่ใช่มีแต่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้พอรู้ได้ล้วก็รู้จากวิธีการ หาทางออกจะทำยังไงหาทางออกที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายเพราะเป็นวิบากกรรมร่างกายของเราเป็นวิวบากกรรมเออในอดีตเยอดีตคืออะไรตั้งแต่หลวงพ่อพูดเดียวนี้นะเออคำหลังกังหลังน้านี่นะเออหลังหน้านี่นะหลังที่หลว ง, งพ่อพูดอันนั้นเป็นอดีตนะ แต่หลวงพ่อยังไม่ได like ้พูดเรียกว่าอนาคต่ะออันนี้เป็นห่าเป็นวิบากกรรมในอดีตอดีตตั้งแต่นู้นอดีตแต่ชาติก็ดีมาถึงปัจจุบันในชาตินี่ก็เถือเป็นอดีตที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคำเน่ละเนี่ยเป็นอดีตไปแล้ว่คําน่ละเป็นอดีตไปแล้วอแต่อนาคำยังไม่ได้พูดคืออนาคตนนี่แหละเี่ยคืออดีตร่างกายเป็นผลวิบากในอดีตน มันให้ผลแต่อนาคตเนี่ยที่ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะอันนั้นขวรคิดแล้วนะเราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรในตัวของเราเนี่ยมันปรับปรุงแก้ไขได้เออชาระใจยังไงสร้างบุญกุศลอย่างไรให้สั่งสมบุญกุศลไว้นะถ้าบุญกุศลเต็มเปี่ยม อ, อแล้ว บุญกุศลนั่นะเหมือนกับเราหาเงินพอหาเงินได้มากแล้วกนะ็ไปเรียนหนังสือนะเราก็มีความรู้ความฉลาดในการเรียนหนังสือนี่ก็เหมือนกันเราสั่งสมบุญกุศลทีละเล็กทีละน้อยให้ทานบาง้งรักษาศีลบ้างเมื่อเราทำบุญทาทานบุญกุศลของเรามีจากนั้นก็เป็นเครื่องส่งเสริมทางด้านปัญญานะปัญญาของเราก็จะเกิดเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ เพราะว่าอันนี้สงสารอันนี้สงสินจากนั้นกับภาวนาภาวนาจิตใจก่อนจะรู้แจ้งเห็นจริงตามแนวแถวของพุท ธ, ธนะนแต่มันเกี่ยวเนื่องกันคนที่จะมีปัญญาได้ต้องได้รับการศึกษาที่ดีก่อนที่จะรับสาที่ดีนะันคืออะไรต้องมีทุนพ่อแม่ต้องมีทุนต้องมีเงินส่งเสริมให้ลูกตัวหนึ่งตัวเองเรียนหนังสือ จะเรียนแพทย์จะเรียนหมอเรียนกฎหมาย เ, าเรียนวิชาแขนงไหนล้วนแล้วแต่คนมีเงินนะ อ, อันนี้ก็เหมือนกันเงินน่คือบุญเาะถ้าคนมีบุญมีบุ ญ, ม, บญมีกุศลแล้ว เ, เราจะาพิจารณาอะไรบุญกุศลเกื้อกูลนุนาจากนั้นใจของเราก็จะรู้รู้แจง้งเห็นจริง ในกฎเกณฑ์นั้นนนั้จากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดถาว่าชาติใช่ใช่เกิดมาชาติให้ต้องตายแน่จะตายแล้วไม่มาเกิดอีกมันจะตายความตายจะมาจะมาจากที่ไหนเมื่อเราไม่เกิดถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายวันอย่างคำพณพะพุทธเจา้าว่าอย่ามาเกิดนะให้ภาวนา สิ่งที่จะพาให้เกิดนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านก็สอนตรัสไว้อีกว่ากิเลสกิเลสพานําพามาเกิดกิเลสตัวไหนกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมหะโลกโกรธหลงนี่แหละทำให้ใจดวงนี้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี้ย ถ้าชำละกิเลสออกซะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกใจของเราเป็นอิสระเป็นไทยไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสโลภโกรธโลกโกรธลงจิตใจบริสุทธิ์ในเมื่อจิตใจบริสุทธิ์แล้วนั่นน่ะนิวิพพานังประมังสุขขังนิพพานังประมังสุนยังนิพพานังประมังสุขขัง นิพพานเป็นสุขอย่างจริงนิพพานังประมังศูนย์อย่างนิพพานศูนย์ศูนย์เชื้ อ, เ, อเชื้อที่จะทําพาให้เราไปเกิดเพี้ยนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารคือกิกเลสราคะโทสะโมหะคือเชื้ อ, อที่จะทําใจให้ดวงนั้นอยู่ในใจตรงนั้นเหมือนกับเชื้อก็คือสนิมสนิมเหล็กท่อนนี้มันมีสนิมติดอยู่ในเหล็กท่อนนี้ เราทําให้เป็นเหล็กท่อนนี้เป็นสเตนเลสสกัดสนิมออกให้หมดแล้วก็ปรับปรุงให้เหล็กอันนี้เป็นสเตนเลสไม่ให้มีสนิมะในเมื่อไม่มีสนิมสนิมก็ไม่กัดจิตกัดใจมันก็ไม่กร่อนออนี่แหละเป็นอิสระนี่ขอให้พวกเราทุกถูกท่านนะคณาธ า, าญาตโยมในหลักของพุทธาศาสนาแล้วนะท่านให้ชําระใจนะไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสารอันนั้นเป็นบรมสุขจะหาว่าพวกเรายังเวียนไหวตายเกิดอยู่นะจะหาความสุขไม่ได้ถึงจะเป็นได้ยศฐานบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนก็จะพอขึ้นมาก็ใช่มีความสุขในระดับหนึ่งเมื่อเป็นเด็กก็ถูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความสุขในเนมีครอบมีคัวก็มีความสุขในเมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วทีนี้ โรคภัยไข้เจ็บปรุงเราเหูหนวกตามืดบอดตาฝ้าฟางนังเหี่ยวอะไรมันมารุมมาต้ ม, ม, มขงข้าหมดเพราะในสุดออนอนอยู่กับที่นอนอยู่ในเตียงมีสายอะไรช่วยหายใจอีกต่างหากเป็นเป็นอย่างนั้นใช่ไหม ถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผลสุดท้ายโค้งสุดท้ายไม่มีใครปฏิเสธเพราะฉะนั้นเกิดมากี่พบกี่ชาติก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่มีใครปฏิเสธอีกเหมือนกันเป็นเสียแตตายก่อนนะถ้าตายเท่าตายแก่เลยต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะนั้นจะหาความสุขได้ที่ไหนความสุขไม่ใช่ความสุขที่ถ้าวอนเป็นความสุขที่อุปลอด้วะเสกสรรค์ันไม้ชั่ว ครั้งชั่วคาชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเพราะในพวกเราต้องฟังศึกษาในแนวแถวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารเนอร์จะทำยังไงจิตใจของเราจะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดต้องศึกษาจุดนี้นะไม่ใช่เรียนเฉยๆนะเรียนรู้เฉยๆไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้รู้จริงเห็นจริงได้นะรับพอในทะเลนะ